ปับบตานิวนานิจจาอารามรุกขเจตยานิมนุสสะปยาตจิตานตทังโคสารังเขมังนตทังสารณมุตตมังนิังสรณมะกามะสัปปะดุขาปะมุจจะติติ ต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาภาพได้รับติมนจากทางชมรมพุทธศาสตร์ทีโอทีให้มารับบิณฑบาตและแสดงธรรมเป็นครั้งแรกได้เห็นจัตวาของพวกเราทุกคนแล้วก็ มีความดีใจชื่นใจว่ายังมีผู้ใฝ่ใจในการที่จะฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นจำนวนมากก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธศาสนายังจะอยู่คู่กับประเทศไทยคนไทยอีกนานเพราะว่ามีผู้สนใจในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอย่าง ที่กล่าวมาลีก็จมาได้ยกบาลีขึ้นเป็นอุเทศสบทในเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่าบังหุ้งเวสรนังยันติปปตานิวานานิจจอารามรุกเจตยานิมนุษยาปยาตาจิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลูกกระจีดีบ้างเป็นสารณะอ น, นั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องสารณะคือที่พึ่งที่พึ่งของคนมีทั้งที่พึ่งภายนอกและที่พึ่งภายในคนเราเมื่อเป็นทุกข์ส่วนมากก็ทุกข์ใจ เพราะว่าความทุกข์มันเกิดจากใจใจเป็นผู้คิดทําให้ทุกข์ถ้าเราไม่ดับทุกข์ที่ใจทุกอื่นมันก็ไม่ดับเหมือนที่เราต้องการที่จะฟังธรรมให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความสงบที่สุดก็คือเวลานี้ต้องหยุดหยุดรับหยุดจําหยุดคิดปล่อยแต่ความรู้ไว้ ได้ยินเสียงธรรมะเข้าทางหูก็ให้รู้ให้มีความรู้อยู่ว่าเรากำลังฟังธรรมอยู่หน้าที่ของใจมีสี่อย่างหนึ่งรับสองจำสามคิดแล้วก็สี่รู้เราอยากให้ใจสงบอยากให้ใจเป็นสมาธิต้องหยุดรับหยุดจำหยุดคิดแล้วก็ มีความรู้อยู่ภายในอย่างเดียวคมว่าที่พึ่งที่พึ่งภายนอกตั้งแต่เราเกิดมาเราก็พึ่งคนอื่นพึ่งพ่อแม่พึ่งสิ่งต่างๆพึ่งสิ่งเอื้ออํอานวยความสะดวกต่างๆล้วนเป็นที่พึ่งภายนอกแย่ที่พึ่งภายในคือความดี อันได้แก่ทานศีลภาวนาน่าจะาโยมที่อยู่ข้างนอกไม่ทราบว่าทำอะไรไม่ควรจะคุยกันเออนั่นแหละอยู่นอกมันก็ง่ายที่จะพูดคุยกันพอคนส่วนใหญ่ก็ต้องการสงบ พระเทศบางนี้ก็ไม่มีสมาธิถ้ายมไม่สงบเราต้องฝังธรรมอยากฝังธรรมก็ต้องให้มันสมกับอยากที่จะฝังอันนี้ไม่ใช่ดุนะยมพูดตามเหตุผลที่พึ่งภายในนี้ทำให้เราก้นทุกข์ได้ที่บอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกขามแล้วก็ถือเอาป่าไม้บ้างภูเขาบ้าง ไปเห็นป่าไม้จนไม้ก็ไปหว้จนไม้กราบจนไม้ภูเขาก็ไหว้ภูเขาอาลามเห็นวัดเข้าไปวัดก็ไม่ถึงวัดมีความทุกข์ไปเข้าไปวัดก็ไปยกมือไหว้วิหารจะดีก็โทษแม้แต่กุพุทธลูกก็ไม่พ้นภพได้เพราะเราคิดว่าท่านจะช่วยให้เราพน้นโดยการที่มาดลบันดาลให้เราพน้น โดยที่เราไม่คิดว่าเราจะต้องพ้นเองด้วยการปฏิบัติด้วยการทําใจด้วยการกำหนดว่าทุกเนี่ยมันเกิดจากเหตุที่เป็นส ม, มุทยัยให้เกิดทุกถ้าบอกว่าเนตังโคสาราังเกมังเนตังสรณมุตตะมังเนตังสรณมะกัมมะสับประรุค้าพมุจจตินั่นม่ใช่ที่พึ่งกั น, กนกเกษมเลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อยู่จะบุตรันจะทรมันจะสร้างกันจะสารัางกะรงกะโตจัตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายะปสติท่านวัดส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระ แล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเศรศสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบถืออาพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นยังไงดุ ข, ขังดุขะสมุปดังดุ ข, ขัสัจจะอติกมัง อริยันจัดทั้งยิกลงมรรคกังดุคูปสมัมกามิหนังคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโคสรนังเชมังเอตังสรารณมุตตมังเอตังสารณามะกัมมะสัปปะดุขปะปมุตจติ นั่นแหละเป็นที่พึ่งอั น, กนเกษมนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยตะนะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เวลานี้พวกเราทุกคนเป็นทุกข์รวมทั้งผู้เทศด้วยที่มาเทศยังไม่ได้พ้นทุกข์นะโยมท่านเข้าใจหลวงพ่อบนกู้ท่านว่าเราเป็นพระเหมือนก็ เหมือนกับโยมที่เป็นโรคต้องการยาที่จะรักษาโรคให้หายให้หายจากความทุกข์นะพูดง่ายๆฉะนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็เป็นผู้สอนผู้อื่นให้หายาที่แก้ทุกข์ด้วยในขณะเดียวตัวเองก็หาหาด้วยทำด้วยถ้าเราให้เราพ้นทุกข์ก่อนแล้วเนี่ยจะมาเทศมาสอนมาบอกโยมที่หลังก็ไม่ทันทันว่า ให้สรุปตรงนี้ว่าเราเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความคิดใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเราทุกข์เพราะความคิดถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์นึกคิดเฉยๆไม่ได้มันต้องมีสมุทัยกิเหตทห้เกิดทุกข์เกิดในตัณหาความอยากทุกอยากทำอยากมีอยากเป็นอยากทุกอย่างอยากไปหมด จนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มทุกข์มากขึ้นก็ต้องดับตัณหาคือดับความอยากถ้าดับความอยากไม่ได้มันก็ไม่พ้นทุกข์หรือทุกข์มันก็ไม่พ้นชั่วขณะแม้ว่าเราต้องการให้ความทุกข์มันพ้นอยู่ไปชั่วขณะใดขณะหนึ่งไม่ได้พ้นหมดหรอกเหมือนลุงปูด่ดูลที่ว่ามีคนไปถามท่านว่าลุงปู่ยังมีความโกรธอยู่ไหมครับมีแต่ไม่เอา ท่านปูดท่นมีแต่ไม่เอาคือปล่อยวางไม่เอาคนนั่งสมาธิไปเห็นนิมิตเห็นนนเห็นนี่ก็ไปถามท่านว่านิมิตเป็นยังไงหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไอ้ที่เขาเห็นนั้เห็นจริงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั้ไม่จริงอืมท่านพูดคมมากหลวงปู่หลวงพอ่อทหลายนี่ความทุกข์เพราะรอยึด อะไรที่จะเป็นเหตุให้ความทุกข์ตับท่านว่าอริยมรรคมีองแปดที่เราสวดกันในธรรมจักเห็นชอบดัมเิชอบเจราจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียนชอบไรอชอบตั้งใจชอบเมื่อสรุปจริงๆก็ต้องมีอยู่สามอย่างมรรคมีองแปดสรุปแล้วเหลือศีลสมาธิปัญญาศีลความรักษากาย ว่าจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลมีศีลแล้วมันก็พ้นรุปไปอีกเปลาะหนึ่งนะถามว่าเรามีศีลไหมพระพุทธเจ้าพักให้ศีลก็สรุปศีลให้ฟังทุกครั้งจนเราได้ยินแล้วก็รู้สึกมันธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษสีเรนะสุยะจรถถิงยันติศีลทำให้เกิดความสุขจริงไหม จะตอบได้ไม่ว่าจริงไม่จริงอยู่ที่ตัวเราเราไม่มีศีลมันก็ไม่มีความสุขมีศีลมันก็มีความสุขทําไมเราไม่เชื่อพระพุธทธเจ้าทําไมเราไม่เชื่อกูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดพระพฤติปฏิบัติ ต, ตามมาแล้วไม่เชื่อท่านสังคมเราความสุขมันน้อยลงเพราะมันไม่มีศีลหรือมีศีล น, น้อยใช่ไหมมันมีครบห้าข้อไหมมีครบไหมสิเลนะโพกัสมบดา คนจะรักษาพภคทรัพย์คือสมบัติได้ก็เพราะเป็นผู้มีศีลจะมีทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะเป็นผู้มีศีลมีทรัพย์สมบัติแล้วไม่มีศีลทรัพย์ ส, บสมบัติมันก็ไม่อยู่กับคนไม่มีศีลก็ไปทำอย่างอื่นปเล่นการพนันเช่นห่าเราคิดว่าเล่นหวยซื้อหวยจนกระทั่งว่าชุดวันนี้เราไม่คิดว่าหวยนี่เป็นการพนันลืมไปแล้วว่า หวยนี่คือการพนันตัวร้ายที่สุดนะเราลืมไปเราเนื้ว่าต้องเป็นเล่นไพ่เล่นไฮโลเลยจึงเป็นการพนันโดยไม่คิดว่าหวยนี่คือตัวพนันที่สุดอะไรก็ตามที่ได้แล้วเสียเป็นการพนันทั้งหมดมีได้มีเสียเป็นการพนันทั้งหมดชี้เรณ น, ะนิปูติงยัญติควรจะถึงนิพานได้ก็เพราะมีศีลเราพำมาภาวนาให้ตายแต่ศีลห้าศีลแปดเราไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่มีสมาธิ สมาธิม <unlucky> ันก็ไม่เกิดจะสมาธิขันตุนอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิสมาธิขั้นกลางขั้นสูงไม่เกิดเพราะศีลมันไม่มีมันก็ไม่เกิดไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิแล้วปัญญาไม่ต้องพูด่ะมันไม่มีปัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ปัญญาที่เกิดจากความจําไม่เกิดจากความจริงปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการจํากับความจริงนี่มันต่างกันมันต่างกัน เหมือนคนที่มีความสามารถในการทํางานเรียนรู้มาตามวิชาที่เรียนรู้มาเข้าใจพูดได้เฉยๆแต่ทําไม่ได้กับคนที่ทําได้แล้วก็มาพูดมันต่างกันนั่นแหละจึงเรียกว่าความจํากับความจริงไม่เหมือนกันศีลนี่ง่ายที่เราได้ยินใช่ไหมออว่าถ้าเรามีศีนแล้วเราก็มีหลักประกันชีวิตทั้งห้า ทั้งห้าข้อทั้งห้าหลักโดยที่ถ้าเราเข้าประกันกับบริษัทพระพุทธศาสนาที่จริงจะมาพูดเจเจแล้วก็เมื่ อ, อ, อบริษัทพระพุทธศาสนามันเป็นยิ่งกว่า บ, บริษัทสมมุตินะว่าเป็นพุทธบริษัทจะเป็นบริษัทของพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนขึ้นมีอสี่หุ้นมีภิกษุภิกษุณีอุบาจกอุบาสิกาเนี่ยท่านบอกให้ เราถือศีลห้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตศีลข้อหนึ่งเป็นหลักประกันว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวนานยืนยาวนานเพราะว่าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสะะัตว์ตัดชีวิตใครสุขภาพเราก็จะดีศีลข้อที่สองเป็นหลักประกันในทางเศรษฐกิจถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่โกดไม่โกงเศรษฐกิจ บ้านเมืองก็ดีศินข้อที่สามเป็นหลักประกันทางครอบครัวถ้าเรามีคนเดียวสามีเดียวพัญญาเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับผู้อื่นครอบครัวก็มีความสุขเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดสินข้อที่สี่เป็นหลักประกันทางสังคมคนเราอยู่ร่วมกันหมู่มากอย่างเช่นบริษัทนี้ก็มีคนสามสี่พันคนอย่างนี้ ถ้าจะอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีที่สุดเป็นหลักประกันที่ดีต่อกันก็คือต้องมีศีลข้อที่สี่คือพูดเท็จไม่เอาสวาเสียคำหยาเพื่อเจอ้อไม่เอาก็เป็นหลักประกันที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะมีหลักประกันข้อที่สี่คือศีลมุสาวาเรารักษาได้ส่วนข้อที่ห้าหลักประกันทางสุขภาพจะเข็งแกง จะแข็งแรงจะมีอายุยืนไปอีกนานไม่ใช่ว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะว่าเราไปดื่มไปเจ็บสิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นหลักประกันทั้งหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าทั้งห้าข้อนี้เป็นหลักประกันที่ ด, ทดีที่สุดสาหรับผู้ที่รักษาได้ถือศีลซึ่งมันก็ไม่ยากแต่ว่าการถือศีลก็ต้องมีข้อระมัดระวัง โยมพ่ออาจจะมาอาจะมาเป็นเด็กทำนากับโยมพ่อเวลาโรงเรียนปิดก็เป็ น, นอนอยู่ที่นาเช้าอาทิตย์หรือปิดเทอมก็เป็ น, นอนที่นาโยมพ่อสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ว่าศีลทุกวันปานาติปาตาว่าทุกวันเราก็เน้นว่าเอ๊ะพ่อทำไมรับว่าศีลคนเดียวไม่รับศีลจากพระ ก็จงกระทั่งมาบวชเนนพ่อจึงเล่าให้ฟังว่าเออโบราณท่านบอกว่าเราจะต้องสวดศีลทุกวันไม่จําเป็นจะลองรับกับพระแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจสวดแต่และข้อแล้วก็นึกว่าไ อ, อ้ข้อนี้เราบริสุทธิ์หมนะหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจสวดทุกวัน่ะจึงมาเข้าใจตอนเป็นเนรมีโอกาสโยมพ่อเล่าให้ฟังตอนเป็นเด็กก็เพียงแต่สงสัยแต่ไม่กล้าถาม เพราะ่พ่อเนี่ยเป็นคนดุเหมือนเหมือนนาตามานี่ดุโยมนนที่วัดต้องเงียบหมดนะต้องขออภัยศีลรักษาง่ายแต่เราไม่ค่อยรักษาไม่ได้ลงดูนอะไรเลยนะท่านบอกว่ามีความสุขศีลมีความสุขเราเหมือนไม่เชื่อท่านนะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องแปลกอยู่อืมเออ ทั้งหนึ่งอาจมานั่งเครื่องบินกลับจากสหรัฐอเมริกานะนั่งมาไปจากเท็กซัสมาที่เสียเตเทมาต่อเครื่องแล้วก็มีคนหนึ่งขขานั่งเครื่องมาจากลอสแอนเจลิสมารวมกันนั่งนั่งติดกันผู้ชายถามก็บอกอายุเกิดก่อนอาตมารอบหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อดูเขาหนุ่มหนุ่มกว่าอาตมา อาธรรมาก็บอกเขาฉันเกิดที่หลังคุณรอบหนึ่งเขาก็ไม่เชื่อเขาว่พาพระโกหกครนะโกหกยังไงใช่ไมโกหกคุยไปคุยมาหลายเรื่องถูกใจกันในที่สุดเขาก็พูดทะลุกลงังพองขึ้นมาเฉยๆนะทําให้ธรรมาตกใจนะท่านผมไม่รู้นะว่าพระผมไม่เชื่อนะว่าพระรักษาศีลได้สองรอยยี่สิบเจ็ดข้อศีลห้าเขายังรักษาไม่ได้เลยนะเขาพูดนะ พอพูดคำนี้กันมาเนะี่ยมาก็อึ้งนะเอ๊ะบรรยากาศความเป็นเพื่อนมันก็ลดลดลงเนละก็เลยถามว่าเออขอโทษที่คุณเคยเคยบวชได้ยังนะไม่ไม่เคยนะครับผมไม่เคยบวชแล้วผมก็บวชไม่ได้ด้วยเอ้าทำไมบวชไม่ได้บวชแักสามเดือนก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้นะผมเป็นอิสลามอ่าแล้วกัน พอคําว่าผมเป็นอิสลามโยมความรู้สึกเป็นเพื่อนเนี่ยมันเกือบจะหมดเลยมันไม่มันไม่สนุกไม่มีรสชาติที่จะคุยต่อก็เลยพูดให้เขาฟังนะว่าเอาเอานะคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามพระพุทธเจ้าตรวจดูด้วยพยานวันหนึ่งเห็นพระรูปหนึ่งจะสึกท่านก็ไปโปรดท่านบอกว่าท่านจะสึกเพราะว่าท่านรักษาศีลไม่ได้ศีลมันมาก สร้อยี่เจ็ดข้ออาจารย์สอนแล้วมารู้จะรักษาข้อไหนก็จะสึกแล้วพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเราจะให้เธอรักษาศีลข้อเดียวได้ไหมได้พระเจ้าค่ะตรงตัดว่าให้เธอรักษาใจเพียงข้อเดียวก็แล้วกันตัมมาก็บอกคนนั้นที่นับถืออิสลามบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลจะมีกี่ข้อก็ออแล้วแต่ รักษาใจข้อเดียวเท่านั้นจบหมดโยมที่อ่านประวัติหลวงพ่อชานะครั้งแรกหลวงพ่อชาท่านไม่รู้จักหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นไปสร้างวัดที่แถวแถวอุบลท่านก็ไม่รู้ท่านเดินตามหาอาจารย์มหาอาจารย์ถึงจังหวัดอยุธยามาถึงจังหวัดลบบุรีรู้ว่าอาจารย์ที่ลบบรุรีมีชื่อเสียงที่จะสอนธรรมะได้ท่านก็รักขันแล้วก็เลย รู้หลวงปู่มั่นก็เลยไปกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ชาเนี่ยเป็นคนจังหวัดเดียวกันคนอุบุณท่านให้ความเคารพกันพอไปถึงหลวงพ่อชากราบเรียนถามหลวงปู่มั่นว่าเรื่องการรักษาศีลเนี่ยทำไมมันละเอียดละอ้อเลือกเกินในศีลนิเทศก็ดีในคำพีวิสุธทธิมัตในที่อื่นๆก็ดี อธิบายเรื่องสีเนี่ยมันละเอียดเหมือนกับมนุษย์จะทําไม่ได้รักษาไม่ได้ทดํายังไงลุงบู้มั่นบอกว่าท่านชา้าเอาแค่สองอย่างนะหนึ่งฮิริสองโอตตปะยมรู้ใช่ไหมฮิริคืออะไรความร่ายเกลียดใจโอตตปะความเกรงกลัวสองข้อนี้เท่านั้นน่ะจะรักษาสีได้หมดทุกข้อทุกอย่าง ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่มีพรามห้าคนรักษาศีลคนละข้อคนละข้อห้าคนห้าข้อก็อวดกันทะเลาะกันว่าตัวเองเก่งรักษาศีลได้ดีรักษายากข้อนี้กับรักษายากบอกตกลงไม่ได้ก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพรงตรัสว่าพราหม์ศีลทั้งห้าข้อนั้นน่ะ จะว่ารักษายากก็ยากเท่ากันจะว่าง่ายก็ง่ายเท่ากันเพราะว่าทุกข้อนั้นเอาใจเป็นเครื่องรักษาก็ไปว่าจะกี่ข้อก็แล้วแต่อาณามาคุยกับคนอิสลาลมคนนั้นตอนท้ายก็เลยถามเอ๊ะทำไมคุณดูก็รู้เรื่องพระเรื่องเจ้าอยู่นะนึกว่าเคยบวชเปล่าครับผมพาแม่ยายไปวัดไทยที่ลอสแอนเจลิส ก็ได้ยิงเขาพูดกันอะไรกันบ้างก็เลยก็เลยจำจำมานะโยมอยากให้เรารักษาศีลห้าตลอดชีวิตนะมีโยมคนหนึ่งที่วัดอาตมาขอขอให้โยมเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันแกเป็นคนปฏิบัติดีแล้วก็เป็นคนที่เสียงดังฟังชัดผู้หญิงนะเนี่ยเียงเจ้าเป็นผู้นำถ้าแกไปนั่งอยู่ไหนสวดมนต์อะไรนี่จะอุ่นใจทุกคนนะ แกสมาทานศีลแปดตลอดชีวิตทุกวันอุโบสถทุกวันอุโบสถถ้าเราตั้งใจรักษาศีลห้าตลอดชีวิตได้ยังชอบใจธรมเนียมวัฏสงการามโยมใครไปบวชวัฏสงการามนี่เขาจะขอเวลาลาศิกขาขอให้รักษาศีลข้อหนึ่งตลอดชีวิตข้อไหนก็ได้เอาข้อเดียวเลือกเอา หลวงพ่อบุญกูว้วาที่พูดอย่างนั้นที่ขออย่างนั้นเพว่าถ้ารักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วข้ออื่นก็จะตามมาได้นะเขรักษาศีลข้อเดียวก่อนในห้าข้อนั้นเป็นเรื่องดีที่เดียวมีคนส่งลายไปให้ขอโทษหนะ้าที่ใช้คำว่าดูลายอ่านลายก็ไม่กี่วันนยะรู้สึกจะคนนั่งในนี้แลวส่งไปให้คนพูดถึงประวัติหลวงปู่จันเรียน ท่านมีความเด็ดเดี่ยวมากโยมท่านพูดว่าถ้าไม่ได้เป็นพระหรันจะไม่กลับบ้านโยมคิดนะถ้าเรารักษาศีลห้าศีลแปดอย่างน้อยมาอภรอ์พะนึงก็ดีนะหลวงปูจ่จะเรียนบวชเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกวันที่ท่านจะเข้าไปอยู่วัดไปมอบตัวเป็นนาคหนุ่ภพะขาวกับหลวงปู่อ่อนยานชัชลิ บ้านหนองโบบาลหลวงปู่ชอบเล่าย้อนหลังว่าวันนั้นเป็นวันที่เทวดาอนุโมทนาสาธุหลวงปู่เจริญตั้งแต่ลงจากบันไดบ้านไปถึงวัดที่ส่องประทีปให้สว่างสวัยไปถึงหลวงปู่วัดหลวงปู่หลวงปู่อ่อนพอไปถึงแล้วอยู่วัดแล้วก็บวช บวชไม่กี่วันท่านภาวนาภาวนาอยู่ท่านบอกว่าพอจิตมันรวมพับแสงสว่างมันพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างพุ่งชนที่หน้าท่านพอชนพับวินาทีนั้นกเกิดเหตุอัศจรรย์ว่าท่านรู้หมดทุกอย่างรู้เรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องสัตว์นรกเรื่องนรกสวรรค์เรื่อ ง, องชาติไหนรู้ใครคิดอะไรรู้หมด ตั้งแต่บวชไม่กี่วันนั้นนะถามว่าตอนนี้ท่านเป็นพระรหันต์หรือยังยังยังไม่เป็นรู้หมดท่านอยู่กับหลวงปู่อ่อนหนึ่งบรรษาทุกวันที่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จหลวงปู่อ่อนก็จะเทศเทศหลวงปู่จันเรียนก็จะนั่งกำหนดพิจารณารู้หมดว่าหลวงปู่จะเทศเรื่องอะไรรู้หมดตามหมดเหมือนคน คอยฟังอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่อ่อนท่านก็รู้ท่านก็รู้ว่าหลวงปู่จเจรยนเนี่ยลุพอออกพรรษาแล้วหลวงปู่อ่อนก็บอกว่าท่านจเจรยนเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านจิตของท่านโลดพลมากท่านจะต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีจิตโลดพลเหมือนท่านถึงจะสอนท่านได้ท่านนั้นก็คือหลวงปู่ชอบ จังหวัดเลยพูดเท่านั้นออกปัรษาท่านกราบลาหลวงปู่อ่อนเดินทางจากหนองบัวลมพูจากกรุงดรไปจังหวัดเลยใช้เวลาสองวันไปถึงเวลาพบใกล้ใก้ค่ำใกล้ใก้จะค่ำก็เห็นหลวงปู่ชอบกวาดวัดอยู่ท่านก็เข้าไปคุกเข่ากราบหลวงปู่อ่อนพูดว่า จะเรียนมาแล้วเหร อ, อเราว่าจะไปวิเวกที่อำเภอภูเรือรอเธออยู่สองวันแล้วหลวงปู่จนเรียนเกิดอัศจรรย์มาเอ๊ะเราไม่เคยรู้จักท่านท่านก็ไม่เคยรู้จักเราคำแรกที่ทักท่านบอกชื่อเราแล้วก็ท่านบอกว่ารอเรามาสองวันแล้ว เ, เราเดินทางมาสองวันถ้าเราไม่เดินทางมาสองวันนี้ท่านก็ไป ูเหลือแล้วนะท่านเกิดอ า, าจารย์มาท่านรู้ได้อย่างไงว่าเราชื่อนี้เสร็จแล้วท่านก็ปรงใจว่าท่านผู้นี้แหละจะเป็นอาจารย์สอนธรรมเราแต่ท่านก็อยู่กับหลวงปู่ชอบเป็นหัวหน้าพระอุปถัมภ์อยู่มาระยะหนึ่งที่นี้ท่านก็ตั้งใจว่าถ้าไม่ได้เป็นพระหารัานจะไม่กลับบ้าน บ้านที่นังโมบานไม่กลับนะโยมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเราท่านตั้งใจมั่นคงอย่างนั้นเราสียหน้อาจจะมาว่ามันเอาวันพระนึงสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะฮะพอดีท่านตั้งใจอย่างนั้นเลก็พอออกพรรษาปรากฏ ว, ว่าได้ข่าวว่าโยมแม่ป่วยหนักล้มหมอนนอนเสือ ท่านรักโยมแม่ยมพ่อมากท่านบอกยมพ่อไม่ห่วงเท่าไหร่พ่อใจเข้มแข็งเป็นห่วงโยมแม่อยากจะกลับบ้านอยากจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้ติดสัจจะคือความตั้งใจว่าเราไม่เป็นปัญหาจะไม่กลับบ้านไปไม่ได้ผ่าพ่อตู้พ่อตู้คือโยมพ่อออกขึ้นบนเขาไปหายาให้โยมแม่เขียนจดหมายไปหาโยมแม่โยมก็เป็นผู้ น, นําจดหมายกับยานั้นไปหา ไปหาแม่คําแรกที่โยมอโยมแม่ถามอถามท่านผู้ที่นํำยากับจดหมายไปให้ว่าห ม, ม่อมหม่อมเลียนทางอินสารจะเรียกพระเรียกหม่อมหมดนะห ม, ม่อมหม่อมเลียนไม่มาบ้านหรือไม่มาดูแม่หรือพูดนั้นผู้ที่ฟังนะยังกะเทือนใจว่าเอ อ, อความรักที่แม่มีต่อลูก กับความรักของลูกที่มีต่อแม่ก็มีแต่ว่าท่านไม่ไม่ต้องการเสียสัจจะความทั้งใจว่าไม่ได้เป็นอหรหันต์ไม่กลับบ้านตั้งใจอย่างนั้นพอพอตัวนี้กลับมาหลวงปู่เฉรียนก็รีบไปถามพอถามแล้วก็เล่าความจริงคำพูดทุกคำให้ฟังพอฟังกํรเจ็บท่านไม่พูดท่านเดิน เดินหนีเข้าทางจงกรมภาวนาทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนพอตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งท่านจะไปปฏิบัติข้อวัดคือไปรับบาตรที่กุฏิหลวงปู่ชอบเปิดประตูโผ่ก็ไปหลวงปู่ชอบเทศทันทีเลยเทศดุในธรรมนักนะท่านจะเรียนท่านคิดถึงบ้านถึงโยมท่านจะเอาบ้านหรือเป็นที่พึ่งเป็นสลาณะ ทำไมท่านไม่คิดดังนั้นท่านก็เอาบ้านมาปักไว้ที่ใจดิทำไมไม่คิดเรื่องความรักความห่วงใยความเอื้ออาทรในอุทธรในท้องแม่น้องไรนี่ยทำไมต้องคิดอย่างนั้นท่านได้ฟังท่านบอกน้าตาตกในในขณะเดียวกันท่านก็พยายามเพ่งจิตรวมลงนั้นพิจารณาถึงความรักความห่วงใยความอ า, อาทรที่มีต่อแม่ แล้วก็พิจารณาเป็นรวมลงฉีกายอยาใช้คำว่าฉีกายให้เป็นอสุภะอสุพังแตกสลายแล้วจิตก็รวมลงจิตลงก็ปุ๊บหมดทุกอย่างในขณะนั้นแปลว่าท่านบรรลุธรรมโยมในคำพูดที่หลวงปู่สอนลักษณะดุเดียวนั้นที่กุติหลวงปู่ที่หน้ากุติหลวงปู่ในเช้าวันนั้นเดียวนั้น ตั้งจากนั้นมาท่านลุงปู่ชอบบอกว่าลูกศิษย์เราที่สอนมาฝึกมามีท่านเจรยนองค์เดียวที่รู้ทรรมเร็วที่สุดท่านบวชปี2506บรรลุธรรมตามที่ประวัตินี่นะ2509ก็ 4,000 ษาเท่านั้นเองหลุงปู่ชอบยังพูดลักษณะพูด เล่นๆว่าเจ๊กเะๆหลวงปู่เจ๊ยก็เป็นคนที่รู้ทำเร็วท่านบอกว่าเห็นสององนี่นะนี่คือความเด็ดเดี่ยวของครูบาอาจารย์ที่อาตมาขอนํามาเป็นตัวอย่างแล้วแล้วก็นึกถึงคําพูดของหลวงปู่ชอบที่บอกว่าท่านเจ้าบ้านเป็นสาารณะหรือสาารณะแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งกเกษม อัธรังคิโกจะมรรานังเข้มังอมตตามินังในบรรดาทางนั้นทั้งหลายนั้นทางมีองแปดเป็นทางอันเกษมให้ถึงอมตธรรมทางมีองแปดทางทุกทางทางบกทางเรือทางอากาศสู้ทางปฏิบัติไม่ได้ทางปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาะศีล รักษากายว่าจะให้เรียบร้อยด้วยใจเป็นเป็นคือควบคุมสติสมาธิความรักษาใจมันการตรวจมนพรวนาไม่ควรจะขาดโยมเราเป็นชาวพุทธขอโทษอาตมาประเทศที่ไหนก็จะยกตัวอย่างนี้อยู่บ่อยๆที่ตรงนี้ยังไม่ไม่เคยมาก็ขออนุญาตยกตัวอย่างถึงท่าน อาตมารับนิมนไปฉันที่ประทับสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรวไรลักษ์ที่ที่ปจิมบุรีตอนก่อนท่านมีที่ประทับปฏิบัติธรรมที่ปจิมบุรีไม่ไกลจากวัดอาตมาไปวันนั้นเป็นการสวดมนต์ฉลองที่ประทัพอาตมาก็ไปนั่งสวดมนต์ด้วยอยู่ใกล้ใกล้ไปฉันสวดมนต์เย็นก็ไปฉันเช้า ตอนฉันเช้าก็มีหลวงตามหาบัวท่านไปนั่งฉันด้วยนั่งใกล้ๆห่างอัตมาสักประมาณเม็ดกว่าสองเม็ดนะก็มาก็จะได้กินท่านพูดคุยกันชัดเจนว่าท่านพูดอะไรกันเจ้าฟ้าจุฬาอนเราก็รู้ว่าท่านเคารพหลวงตาเป็นพ่อในทางธรรมท่านเคยพูดว่าข้าพเจ้ามีพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อผู้วยกําเนิดในทางโลกแต่ว่าข้าพเจ้ามี หลวงตาเป็นพ่อผู้กําเนิดนิตยทางธรรมถ้าเรียกว่าท่านพ่อท่านทําอาหารมาถวายท่านจะบอกอันนี้ลูกทําถวายท่านพ่ออย่างนั้นอย่างนี้พูดนั่งใกล้ๆแล้วก็พูดคุยกันเหมือนพ่อเหมือนลูกกิริยาเรียบร้อยแล้วก็งดงามมากพอฉันเสร็จท่านฉันเสร็จเจฟอาจุลาพรก็กราบเรียนหลวงตาว่า ลูกสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันท่านเป็นเจ้านายนะโยมเป็นเจ้าพระเจ้าเป็นอนท่านบอกลูกสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันวันหนึ่งลูกตามเสด็จสมเด็จทระนางเจ้าไปที่ประทับทางภาคใต้พอดีที่ประทับนะ่ะอยู่ใกล้หลุมฝังศพคนมุสลิมลูกนั่งสวดมนต์อยู่ลูกไม่ได้หลับ ท่านพูดย้ำนะว่าลูกไม่ได้หลับลูกนั่งสวดมนต์อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งมาเดินวนรอบตัวลูกแล้วก็พูดว่าคุ่ละคู่คุ่ละคู่คุ่ละคู่ลูกก็สวดมนต์เรื่อยไปสวดมนต์เรื่อยไปจบเสร็จแล้วก็มาพิจารณาถึงคำว่าคุ่ละคู่ก็ได้ความว่าแปลว่าเพลิดเพลินสนุกสนาน เพลิดเพลินสนุกกันเข้าใจว่าจะเป็นภาษายวีเรามาแปลความเอาโยมอนามาแปลว่าโอ้การที่ท่านส่วนมนเนี่ยทำให้เขามีความสุขเห็นไหมพระพุทธศาสนาการส่วนมนได้ทุกคนทุกศาสนาทุกที่ทุกอย่างแล้วก็พุทธศาสนาเราใจกว้างใจกว้างเมื่อเมื่อไม่นาน อารมาบินตะบาดหันหลังให้ร้านข้าวมันไก่ผือเจ้าของร้านข้าวมันไก่เอาเข้าวมันไก่สี่ห้ากล่องแล้วก็บัญชีหลายชื่อผู้ตายเยอะเลยเป็นหางว่าเอามามอบให้กับคนที่กำลังใจบาทบอกว่าฝากทาบุญด้วยฝากกรวดน้ำด้วยเขาเป็นมุสลิมโยมเป็นคนไทยผู้หญิงแหละแต่ว่าไปแต่งงานกับ คนมุสลิมก็เป็นมุสลิมก็จะทำบุญให้ญาติก็ทำเองไม่ได้ต้องฝากให้มาทำนะโยมเจะฟ้าจุภาณรท่านเล่าต่อท่านบอกว่าครั้งหนึ่งลูกรับเชิญไปบรรยายที่มหาวิลลยในประเทศเวียดนามลูกเตรียมการสอนอยู่ถึงถึงตีสาม แล้วลูกก็ น, นอนหลับไปในที่นอนนั้นนอนรวมกับนอนนอนรวมกับข้าหลวงท่านใช้คาว่าข้าหลวงนอนรวมกันพอตื่นขึ้นมาตีห้าลูกก็ไปเข้าห้องน้ำลูกตกใจกลัวยอมรับว่ากลัวมากไม่รู้ว่าใครเอาปากกามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเต็มหน้าลูกไปหมดเลย ลูกยอมรับว่าลูกตกใจกลัวมากท่านพูดเหมือนกับจะถามว่าหลวงตารู้ไหมว่าใครมาเขียนประมาณนั้น่หลวงตาท่านก็ไม่พูดยมลงมาคิดนะเอาว่าใครข้าหลวงในนั้นจะไปนอนหยุดนอนร่วมกวับท่านจะจะไปเขียนท่านางนั้นเละไม่มีใครกล้าทําอยู่แล้วนะไะ ถ้าอนมาพิจารณาอย่างผู้ไม่มีญาณก็บอกว่าออผีเวียดนามนะเอาปากกาไปเขียนที่พระพัก่านอาทิหน้าท่า น, นเป็นเรื่องจริงที่ฟังมาได้ตัวเองโยมจำได้ไหมหลายคนคงจะได้รับหนังสือที่เรียกหลวงตามาบวชเล่ม ใ, ใ, ใหญ่หนักห้ากิเก้าร้อยหรือพันหน้านะ่ยสมเด็จเจาฟ้าจุลาพรท่านส่งเขียนคำอะไรถึงหลวงตามหาบวช ท่านบอกว่าครั้งหนึ่งท่านมีทุกข์มากเข้าออกโรงพยาบาลวิเชยุทตอยู่ประจําน้ําหนักลดลงเรื่อยจนกระทั่งเหลือสามสิบหกกิโลกัมคนที่อยู่รอบข้างก็เป็นทุกข์มากบอกว่าไปนี่มนพระที่ไหนมาเทศพูดแล้วก็แล้วไม่หายท่านว่า <c oughs> ก็พอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดขึ้นในที่นั้นในที่โรงพยาบาลวิเชยุทต บอกว่าทำไมไม่ไปนี่มลหลวงตามหาบัวมามีคนหนึ่งแย้งว่าหลวงตาเลิอกท่านจะมาได้ท่านมาไม่ได้หรอกท่านมีงานเยอะอยู่ที่วัดท่านก็มีคนไปทุกวันพูดจบพูดยังไม่ขาดคำดีเสียงโทรศัพท์ดังกิ้งขึ้นพยาบาลไปรับโทรศัพท์บอกว่าหลวงตามหาบวจะมาเยี่ยมอาชจรรย์ไหมโยมปฏิหารไหม หลวงตาจะมาเยี่ยมท่านบอกว่าพอได้ยินคำว่าหลวงตาจะมาเยี่ยมมนท่านมีความรู้สึกว่าดีใจเหมือนโลกที่เป็นอยู่มันหายไปครึ่งหนึ่งพอหลวงตามาท่านยิ่งดีใจใหญ่ท่านบอกว่าหลวงตาพูดสัน้นๆท่านบอกอย่างนี้โยมน่าเอาไปใช้นะท่านบอกว่าอย่านึกถึงอดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ อย่านึกถึงอนาคตเพราะเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงจะทำให้จิตฟุ้งซ่านนึกถึงปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีอนาคตจะดีเองท่านพูดแค่นี้หลวงตาพูดแค่นี้อยากให้ยมไปอ่านแล้วเอามาปฏิบัตินะในชีวิตเราอ่านบทความที่เจ้าฟ้าจุฬาพรท่านเขียนถึงหลวงตาแค่นี้ก็พอเป็นธรรมะเกือบทั้งหมดแล้วนั้นนะ ท่านบอกพอฟังจบเนี่ยเหมือนโลกมันหายไปหมดตั้งกันนั้นมาท่านดีวันดีขึ้นแล้วท่านก็ยกย่องเทิดทูนหลวงตาหมาบัวอย่างมากนี่เกิดจากอะไรเกิดจากภาวนานะทานศีลศีลศีล ส, สมาธิสมาธิกล้วภาวนาภาวนาให้เกิดเกิดประโยชน์อย่างนั้นท่านภาวนาท่านว่าภาวิตาภาหุลิกตา ทำให้มากจเจริญให้มากทำน้อยเจริญน้อยก็ไม่ได้เมื่อสักครู่อาตมาคุยกับท่านผู้หนึ่งเคยไปปฏิบัติกับหลวงปู่จนเหลียนท่านบอกให้นั่งสี่ชั่วโมงก็ไม่ในความรู้สึกไม่ไม่กล้ารับกลัวจะนั่งไม่ได้พอหลวงปูอ่บอกว่าเอาชั่วโมงหนึง่งเอรีบรับรับในใจทันทีก็ได้เมื่องานหลวงปู่ลีที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสกราบหลวงปู่จเหลียน แล้วก็เห็นปฏิปทาท่านนี้เป็นคนที่ง่ายไม่ยึดไม่ถืออะไรไปง่ายมาง่ายเจ้านุวัดกาลสินนั่งอยู่ใกล้ๆท่านบอกว่าหลวงปู่เรียนชวนผมไปพักด้วยสองคืนท่านให้นั่งสมาธิด้วยหกชั่วโมงผมเกือบตายนะหกชั่วโมงเกือบตายทำบ่อยๆมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราก็จะได้ประโยชน์จากการฟัง จากการ ป, รปฏิบัติซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นการที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดก็คือศีลเป็นเบื้องต้นก่อนสมาธิปัญญาเป็นขั้นสูงถึงอย่างไม่ได้ก็ทานศีลแล้วก็ภาวนาทำบ่อยๆทำเรื่อยๆตรวจสอบดูทุกๆวันทำให้มันต่อเนื่องอย่าคิด อย่าเราไม่มีเวลาครูบาอาจารย์หลายท่านอย่างเช่นเรื่องศีล เ, เราจะได้ยินประวัติที่หลวงปู่ขาวที่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าท่านไปเยี่ยมก็ทำให้ประชาชนคนไทยรู้จักหลวงปู่มากขึ้นเมื่อขอไปหาหลวงปู่แล้วก็รู้จักธรรมะจากหลวงปู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมะอยากกลับหลวงปู่เสร็จแล้ว ผลได้ก็คือว่าทําให้เราสังกรมเรามีความสุขพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสถามหลวงปู่ว่าถามหลวงปู่ขาวว่าวพระหลวงปู่มีอะไรดีคนถึงมาหามากมายทุกวันหลวงปู่บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมีแต่ศีลเท่านั้นแหละเห็นไหมโยมกิ่นของศีลกินของความประพฤติปฏิบัติอย่างงานที่แล้วหลวงปู่หลี่คนเป็นแสนแสน ไม่น่าเชื่อว่าผู้คนจะมากมายอำนาจของศีลอำนาจของสมาธิอำนาจของปัญญาเท่านั้นแหละอย่างหลวงปู่ดูลย์ที่พระเจ้าอยู่หัวถามว่าการละกิเลสจะละตัวไหนก่อนโยมถ้าเราถูกถามโดยพระเจ้าอยู่หัวท่านถามหลวงปู่ดูลการละกิเลสจะละตัวไหนก่อนท่านบอกว่ากิเลสทุกตัวเกิดขึ้นที่ใจ ตัวไหนเกิดก่อนก็ละตัวนั้นก่อนอกิเลสคืออะไรโยมสิ่งที่ทำให้จิตใจสอมองมีอยู่แค่สามอย่างไม่ได้มากกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาคือความเธอยทยานอยากการมาตัณหาเาวนาตัณหาวิปวัตตัณหาเราเป็นยปุสควรรู้สิ่งห้าควรรู้ว่ากิเลสคืออะไรตัณหาคืออะไร ขั้นห้าเป็นยังไงอริยสัจสี่เป็นยังไงเราจังปฏิบัติมาแล้วอ่านมากๆอ่านแล้วมันเข้าใจมันปฏิบัติเมื่อจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองทั้งหมดแลยมันเป็นสมาธิทาไมเวลานี้ทั่วโลกรู้จักสมาธิมากขึ้นส่วนหนึ่งอยากอะไระจากคนไทยเราที่เป็นนักผู้บริหารไปติดอยู่ในธรรมนะสามคนทำให้คนรู้จักสมาธิมากขึ้น แล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ทำให้คนทั่วโลกให้ความสนใจให้ความรักคนไทยอยากจะช่วยเหลือมากที่สุดไม่เคยมีเป็นเคตที่ยากที่สุดทำไมเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ก็ถ้าพูดตามพวกเราปฏิปธรรมด้วยอำนาจของสมาธิครูบาท่านก็เก่งท่านมีส่วนช่วยอย่างสำคัญที่สุดนะต้องยกย่องต้องนับถือตอนให้เครดิตท่านะ่ะ อคูบาไม่ใช่ธรรมดาโยมจําได้ไหมที่คูบาพูดถึงกูบาชื่ออะไรลืมแล้วกูบาบุญชุ่มที่จีก็รู้จักคูบาบุญชุ่มเห็นไหม ย, ยมมีคนอดีตผู้ ว, ว่าราชการจังหวัดพเพชรบูรณ์เป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์แล้วก็ตอนนั้นผู้ ว, ว่านี่เป็ น, นปอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดน่าน มีเพื่อนผู้ว่าเป็นในอำเภอจังหวัดแม่สายผู้ว่าที่อยู่น่านนะแต่นั้นยังไม่ได้เป็นเขเคารบนับถือกูบาบุญชุ่มมากเชื่อมากแล้วก็พาเพื่อนที่เป็นในอำเภอเนี่ยไปกราบพอไปกราบเห็นกูบาทักเลยนะในอำเภอจะตาขาดนะจะเสียชีวิตในวันเกิด ให้มาอยู่วัดเจ็ดวันมาภาวนาเจ็ดวันแนงเพอเป็นคนสมัยใหม่แนงเพอเนะ่ยเพอไม่สายนั่นแหละไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับมีงานมากด้วยทุกคนที่ไปก็เชื่อหมดข้าราช ก, การลูกน้องแนงเพอก็เชื่อหมดพยายามขอร้องให้แนงเพือไปอยู่วัดกับหลวงปู่บาทเจ็ดวันมาไปได้แค่สามวันงานมากหรือจะขี้เกียจก็ไม่รู้นะเราจะมองว่าขี้เกียจแต่บางคนไม่เชื่อเลยใช่ไหม เสร็จแล้วก็ไปได้่สามมันก็ถึงมันเกิดก็จัดงานมันเกิดใหญ่ตัวที่อำเภอตกลงกันพยายามดูแลแม่ให้ในอำเภอออกจากอำเภอก่อนเทีเ่ยงคืนฉลองกันทีอ่อำเภอรากฏว่าพอถึงเทีเ่ยงคืนปั๊บก็ชายโยโ吼ร้องว่าในอำเภอปลอดภัยไม่ตายแล้วพวกถือสมัยใหม่ไงถือโลกตะวันตกนะพวกวดดีไม่ถือตามพระพุทธญาณพักบกว่า ในี่ิก็เดินมาส่งคนที่อุปถัมภ์ส่งพ่อค้าที่เขาช่วยเหลือในงานมาส่งเดินมาส่งที่รถลูกน้องตัวเองจะตดัดรถชนตัวเองตายคาที่โยมนี่พวกถือสมัยใหม่ถ้าสมมุติว่าเออเราเชื่อเรื่องกรรมเม่าถึงเวลายังไงมันก็ตายอยู่วัดเกียรติวันอาจจะตายก็ได้ แต่ว่าเรามองอย่างนี้หนึ่งไงทไมเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพวกเราถือศีลแปดท้าศึลร้อยเจ็ถึงเครื่องคืนก็อนเอาเอาหารมาฉันกันเนี่ยมากินกันเนี่ยไม่ใช่เราไปถือตามโลกตะวันตกจงกระทังว่าไม่สามารถที่จะเอากลับเมืาคืนได้นะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นครูบาท่านก็มีญาณของท่านเป็นปฏิปทาของท่านท่านก็สั่งไว้ถ้าท่านรักขันแล้วท่านไม่ให้เอากลับเมืองไทยท่านก็แปะกันไม่เอากลับเมืองไทย เราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแปลว่าสิ่งที่เราต้องทําคือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าคนพราะหลังก็ตื่นตัวกันมากมายทําไมเขาต้องการช่วยเหลือคนที่พิชิตในถ้ำขนาดฟุตบอลโลกยังยังซาไปเพราะเพราะข่าวนี้นะเห็นไหมเด็กต่างประเทศคนหนึ่งร้องไห้เอาจักรยานมาซ่อมบอกว่าซ่อมจักรยานแล้วจะมาช่วยคนไทยเนะี่ยเขาพูดด้วยด้วย ด้วยความไล้เดียงสาเนะี่ยมันมันจิตใจเขานึกถึงอะไรทำไมเขารักคนไทยในช่วงนั้นเพราะคนไทยเป็นคนมีจิตใจดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญามากเนะี่ยเราจึงได้รับความเมตตาจากชาติอื่นซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาก่อนเลยเป็นที่น่ายินดีอันนั้นเราก็ให้เห็นความสาคัญเราอยู่กับเมืองไทยอาตมารู้จักภาเกาหลีรูปหนึ่งไปพบกันที่อเมริกา ท่านท่านก็ถามท่านเราก็ต่้คกังถามก็ตั้งคำตอบไว้ในใจถามท่านว่าท่านคิดว่าพระพุทธศาสนาประเทศไหนเจริญที่สุดเราก็คิดว่าต้องเป็นประเทศไทยนึกคำตอบไว้ในใจแล้วท่านบอกว่าประเทศพม่าครับผมไปมอทั่วโลกแล้วประเทศพมา่าเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเจริญที่สุดคือเจริญในด้านการปฏิบัต เมืองไทยมากจริงแต่ปฏิบัติน้อยแล้วท่านก็อัศจรรย์ท่านเอาพระธาตุที่เป็นเหมือนเหมือนอะไรที่ลูกลูกโบลิ่งที่เขาโยนนไะแล้วก็มีเขาจะมีตลับใส่พระธาตุท่านบอกว่ามีคนได้รับพระธาตุจากพระราชินีมาสามองค์เอามาถวายท่านท่านก็เก็บไว้แล้วก็ติดไปกับกระเป๋าเสื้อตลอดเวลาคุยกัน กลับมาที่วัดที่ดาลทิเทศศัตร์ธรมาก็เลยท่านเคยเปิดดูไหมไม่เคยเปิดเลยผมไม่อยากเปิดผมอยากดูเปิดให้ผมดูได้ไหมธรรมาก็บอกท่านได้ครับเปิดให้ดูปรากฏเป็นเก้าองค์โอ้ท่านน้ําตาไหลท่านบอกเป็นไปได้ยังไงท่านท่านไม่เคยรู้เรื่องนี้อัศจรรย์มากผมรับมาอี่เก้าสามองมาเป็นเก้าองค์อัศจรรย์หรือปิดนี่ผมไม่เคยเปิดเลยผมกลับไปกเกาหลีผมจะไปสร้างเกดีแล้วก็ ให้คนรู้ถึงความอัศจรรย์ของพระพระมสาด้ริกธาตุท่านพูดท่านน้ำตาไหลท่านปลื้มใจเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่กับเมืองไทยอย่าใกล้เกลือนดังใกล้เกลืนดังทุกคนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบว่าพูดนั่งใกล้พระ ร, รัตนตไัยเราใกล้จริงไหมใกล้อะไรใกล้ทานใกล้ศีลใกล้ภาวนา ใกล้จริงจริงไหมถ้ายังไม่จริงแล้วก็ให้มันจริงเอาศีลห้าสักออาทิตย์ละครั้งได้ไหมโยมได้ยินไหมเมื่อก่อนที่พระเจ้าอยู่หวัวได้ขันทีเก้าเจ็ดวันท่านทําอะไรท่านอยู่กับสมเด็จยาห้าวันแล้วก็แล้วก็อยู่อยู่กับตัวเองหนึ่งวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่ทั้งหมดอีกหนึ่งวันเป็นเป็นเจ็ดวันท่านอยู่กับตัวเองอยังไงท่านทรงศีลแปดท่านทรงนอนพื้น ธรรมดาเลยผ้าขาวปูแล้วก็นอนกับพื้นธรรมดาท่านปฏิบัติอย่างนั้นพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ต้องปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมอเราก็เหมือนกันเป็นผู้นําอย่างน้อยก็เป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้นําพี่เป็นผู้นําน้องเป็นผู้นําเพื่อนเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลถ้าเราไม่มีศีลเขาก็ไม่ไม่นับถือไม่ไม่ให้เกียรติพูดง่ายๆงราจะมาปลอบธรรมะมาในพระบาลี โดยสรุปก็คือว่าควรเมื่อเป็นทุกข์แล้วก็ถือเอาอย่างอื่นต้นไม้บ้างปูกเขาบ้างอาลามลูกกระดิเป็นที่พึ่งแต่ไม่ใช่พิ่ซึงอันสูงสุดถ้าเรามีที่พึ่งอันสูงสุดคือพระรัตนตรัยแล้วก็มีปัญญาเห็นความจริงสอย่างที่เรียกอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบนะโยมด้วยปัญญาอันชอบเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวร่าง เขา่รงทุกข์จะได้และหนทางมีองค์แปดเครื่องถึงความดังนับทุกข์นั่นแหละเป็นที่พึ่งอันกเกษมคำว่ะเกษมคือปลอดภัยไม่มีอันตรายเรามีพุทธเจ้าประดิษฐ์ประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วปลอดภัยไม่มีอันตรายทาั้งรายทั้งปวง อาณาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรเก็บเวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้ที่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนียสาธุ